ในอันตถกถานิเทศเนี่ยนะก็มีคำขยายพอสมควรเนี่ยนะโดยเฉพาะขยายคำว่าพักวารเนี่ยนะขยายพุทธคุณเนี่ยนะขยายพักวาซึ่งประกอบอ่านนิดหนึ่งว่าเพราะเหตุในหน้าจิตรอนะเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพาขยะที่ถึงฝั่งมีทานศีลเป็นต้นซึ่งให้บังเกิดโลกิยสุขและโลกุตระสุข คือพระองค์เนี่ยมีบารมีใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีร บ, บารมีะนะมีทานศีลเนคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิ่ฐานเมตตาและอุเบขาความที่พระองค์เป็นผู้มีบารมีเนี่ยพระองค์จึงทำให้เกิดโลกยสุขเช่นสุขที่เกิดจากเนขัมมะเนี่ยนะัน้งแต่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปธมฌานอนทนะุติยฌ า, านตาติยฌ า, านรูปฌานอรูปฌาน ในความที่พระ อ, องค์เป็นผู้มีบารมีอย่างนี้พระ อ, องค์จึงเจริญวิปัสนาบรรลุโลกุตระสุขคือบรรลุมรสีผลสีและพระนิพพานเนี่ยนะเะนั้นพระ อ, องค์จึงชื่อว่าพักวาเพราะเป็นผู้มีบารมีธรรมเพื่อแผงตลอดโลกิยะสุขและโลกุตระสุขนั่นเองเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงหักกิเลสเครื่องกวนกวายเครื่องเล่าร้อนทุกอย่างนับแสน น, นะกิเลสที่พระ อ, องค์ละเป็นแสนเลยนะ อะไรบ้างอ่ะเช่นโลพะโทสะโมหะมานสิการอันวิปริตราคาเนี่ยนะในสุภานิมิตโองค์ก่ละโทสะในปฏิฆานิมิตกอรละโมห oh ะพระองค์ละวิชชาได้หมดแล้วส่วนไอ้มานะมนสิการวิปริตก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงมานสิการว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์มานสิการว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตามานสิการว่าอัตตาสิ่งที่ไม่งามมานสิการว่างามเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ามานสิการวิปริตไม่ตรงต่อความเป็นจริงเนี่ยนะ อันนี้พระองค์ก็ละแล้วส่วนอหฮีริกะไม่ละอายบาปอโนตปะไม่กลัวต่อบาปไม่ละอายต่อความชั่วไม่กลัวต่อนรกเนี่ยไอไออาุศลเหล่านี้พระองค์ก็ละความกโกรธความผูกโกรธความลบลู่ตีเสมออิจฉามัชชรยิยามายาสาไถแข็งเออถือตัวแข็งดีเนี่ยนะย่อหยิ่งดูหมิ่นคนอื่นความเมาความประมาทตันหาอวิชชาพระองค์ก็ละหมด อกุศลมูลสามทุจริตสามสังกิเลศสามความไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาใจเนี่ยสามวิตอกุศลวิตตกสามเครื่องเนิ่นช้าสามเนี่ยพระองค์ก็ละหมดวิปริเยสะเนี่นะการสแสวงหาที่ผิดนนะสแสวงหาว่าเที่ยงเป็นต้นะนะสอย่างพระองค์ก็ละอาสวะสีคันทะสโอคะสีโยคะสอคติสตันหาห้าตันหาสตันหาในจีวรเป็นต้นเนี่ยนะอุปาทานสี่พระองค์ก็ลละหมดแล้ว เจโตคีละเนี่ยนะเครื่องตึงใจหประการเนี่ยนะก็ละเครื่องผูกพันใจหประการก็ละนิวรห้าพระองค์ก็ละความยินดีในกามทั้งห้าก็ละวิวาทมูล6ก็ละตันหากองหกนะรูปตันหาเป็นต้นพระองค์ก็ละอนุสัยเจ็ก็ละความผิด8ดมีมิจฉามากแ8ดเนี่ยนะก็ละตันหาเป็นมูล9้าพระองค์ก็ละอกุศลกรรมบท10พระองค์ก็ทรงละได้หมดที่ทีหกสิบสตันหาร้อยแปด หรือคำว่าโดยย่อ ก, ก็คือมานห้ากิเลสมานขันธมานพี่สังขารมานมัจจุมาเทวปุตตมารเพราะฉะนั้นเมื่อจะถวายพระนามว่าพักวาเพราะทรงหักอันตรายเหล่านั้นได้แล้วแต่ก็ถวายพระนามว่าพักวาท่านก็เลยสรุปเป็นคาถาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงหักราฆโทสะโมหะได้แล้วทรงหาอาสวะมิได้คือหมดอาสวะสีเนี่ยนะ ธรรมะอัลามกทั้งหลายพระองค์ก็ทรงหักเสียจแล้วเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าพระขวาวะ น, นะก็คือผู้ที่หักบาปหักอกุศลหักกิเลสเรียกว่าตายนับเป็นแสนเหมือนกันอันหนึ่งสมบัติแห่งรูปปัจจัยของพระองค์เนี่ยผู้ทรงบุ ญ, ญลักษณะตั้งร้อยเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยความที่พระองค์เนี่ยทรงมีภาคยะเนี่ยนะรูปปัจจัยของพระองค์นี่บริบูรณ์ด้วยอะไรบ้างมหาปริศลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะ แปดสิบประการฉับพันรังสีหกสิบประการเนี่ยนะการเยื่องกรายดุดราชสีเป็นต้นแล้วก็พระองค์ก็ยังมีสมบัติคือธรรมกายของพระองค์ธรรมกายคืออะไรก็คือมรรคสีผลสีนิพานหนึ่งนะเรียกว่าธรรมกายอันเป็นท่านแสดงแล้วด้วยความที่พระองค์เนี่ยทรงหักโทสะเสียได้อันหนึ่งความที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้อันโลกีชนและพระอริยบุคคลทั้งหลายนับถือมาก ความที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้อันครหัตและบรรปชิตทั้งหลายเนี่ยพึงเข้าเฝ้าความเป็นผู้สามารถกําจัดทุกกายกําจัดทุกใจของบุคคลผู้เข้าเฝ้าเหล่านั้นคนทั้งหลายที่มีทุกขเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็กําจัดทุกขให้เขาความเป็นผู้มีอุปการะมากด้วยอมิสทานและธรรมทานอมิสทานก็ดูปัจจัย4ี่ของพระพิสูจ์ใช่ไหม พระพิสุทธ์แม้กระทั่งในยุคนี้ก็ไม่เดือดร้อนในปัจจัยสี่นี่อมิสทานของพระพุทธเจ้าที่พระองค์อนุญาตไว้ให้ในขณะเดียวกันพระองค์ก็บริบูรณ์ด้วยธรรมทานมีใครเนี่ยที่จะสอนคําสอนเอาไว้มากเท่าพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีมันธรรมทานของพระองค์นี่มากและพระองค์นี้เป็นผู้สามารถประกอบคนเหล่านั้นเอาไว้ในโลกิยาสุขและโลกุตระสุข อันนะเจนพระองค์ประกอบให้เา้าแนะนําให้เขาให้ทานเขาก็มากด้วยโลกยสุขใช่ไหมสุขที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องทรพัพย์ศีลศีลก็ทําให้เขาเนี่ยเกิดในสุขติโลกสวรรค์อบรมในสมถะขณะที่เจริญสมถะก็เป็นสุขผลแห่งสมถะก็เกิดในพรหมโลกเนี่ยนะในถ้าอบรมวิปัสสนาก็เป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุโลกุตระสุขมันท่านก็แสดงแล้วอันพระองค์นั้น เป็นผู้ที่สงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆเนี่ยนะช่วยเหลือเกือ้อกูลกำรรจัดความทุกข์ทางกายทางใจอนุเคราะห์เขาเหล่านั้นด้วยอมิสถานธรรมทานแล้วก็ทําให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าถึงโลกิยาสุขและโลกุตระสุขอันนี้คือพระผู้มีพระภาคพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งนะพระคศัพเนี่ยเป็นไตในความหกความหมายคืออิสริยะอย่างหนึ่งธรรมะอย่างหนึ่งยศอย่างหนึ่งสิริอย่างหนึ่งกามอย่างหนึ่ง ความขวนขวายอย่างหนึ่งก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอิสระในพระไทยของพระองค์อย่างยิ่งหรือทรงมีอิสระบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงที่ชาวโลกรู้กันนะว่ามีการหายตัวล่องหนเป็นต้นเนี่ยนะอิสริยะเนี่ยพระองค์เนี่ยสมอย่างที่พระองค์คิดจริงๆพระองค์คิดจะหายตัวพระองค์ก็หายได้เนี่ยนะและพระองค์เนี่ยเป็นอิสระทางใจของพระองค์เพราะใจของพระองค์ไม่ถูกกิเลส เป็นต้นเนี่ยรบกวนให้ไม่เป็นอิสระเนี่ยนะและพระองค์ก็ยังมีโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมก็คือมรซีผลซีนิพานหนึ่งนะนะมรซีก็ยังขยายนะแต่ละมรซีเนี่ยบริบูรณ์ด้วยโพธิปัจขยธรรมนะโสดาปฏิมรซี ก, ก็โพธิปัจขยธรรมประชุมกันสกาธาคามีมรซีอนาคามีมรซีอรหัตตมรซคแต่ละอย่างก็โพธิปัจขยธรรมสามสบเจ็ดเนี่ยประชุมกันพระองค์นี้ทรงมียศบริสุทธิ์ยิ่งนะักเนี่ยนะคือบริวารยศเนี่ยนะ ก็มีแต่พระอริยะเป็นต้นอแวดล้อมพระองค์ไยพระองค์ไม่ไม่ได้มีความเสียหายอะไรแม้แต่หน่อยเดียวพระองค์นี้ทรงบรรลุ ด, ด้วยพระคุณตามพี่เป็นจริงระบือไปทั่วโลกสามการมาโลกรูปปโลกอรูปประโลกตักกกก้งคําถามว่าเอ๊ะชื่อเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยดังกล้องไปถึงอรูปประรมได้ยังไงอารูปประพรมไม่มีหูไม่ใช่หรอือทําไมชื่อเสียงพระพุทธเจ้าจึงดังไปถึงอารูปประรมคุณุูโชรู้ไหมนักเรียนสอนรู้ปะ อาจารย์ท่านอธิบายว่าะนะชื่อเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยดังไปถึงอรูปประพรมเพราะว่าพระอริยะที่บรรลุในในพุทธศาสนาเนี่ยนะที่เป็นพระอริยะเช่นพระนาคามีที่ไปเกิดในอรูปประพรมก็มีอยู่เมื่อท่านเหล่านั้นไปเกิดในอรูปพระรมนะท่านเหล่านั้นก็เจริญพุทธคุณได้มันชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าจึงดังถึงอรูปประพรมด้วยประการอย่างนี้ก็เพราะว่าที่อรูปประพรมก็มีพระอริยะอยู่เนี่ยนะ และก็สิริแห่งร่างกายอวัยวะนอใหญ่ทุกส่วนบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงสามารถยังความเลื่อมใสให้เกิดแก่ตาและใจของชนผู้ขวนขวายในการชมพระรู ป, ปกายเนี่ยนะใครก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์นี้ทรงมีความปรารถนาที่รู้กันแล้วว่าความสำเร็จประโยชน์ที่ทรงปรารถนาไม่ว่าประโยชน์ใดๆที่พระองค์ทรงมุ่งหมายและปรารถนา จะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นก็ตามประโยชน์นั้นๆน่ยได้สําเร็จดังนั้นทีเดียวนะพระองค์ปรารถนาอะไรเนี่ยสําเร็จจริงไหมสาเร็จจริงพระองค์เช่นว่าปรารถนาว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราบรรลุแล้วจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเนี่ยนะความปรารถนาของพระองค์เหล่านั้นเนี่ยสำเร็จหมดสิ้นหมดเลย พระองก็ฝึกสรัรพสัตว์ได้หาประมาณนี้ได้เหลือแต่เราเนี่นแหะรุ่นเขียนจดหมายทิ้งไว้เนี่ยรุ่นพุทธเจ้าฝากจดหมายเอาไว้ให้คือพระไตรปิฎกเนี่ยนะรุ่นก่อนๆเ น, นี่ยภาษารีบุตรพระโมกขลาน้าพระมหากัสป่าท่านฝึกกันเรียบร้อยหมดละออ่านในจดหมายของพระพุทธเจ้านะ อันหนึ่งพระองค์เนี่ยมีความขวนขวายกล่าวคือความพยายามชอบอันเป็นตัวเหตุให้เกิดความเป็นครูของโลกเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยมีความเพียรพยายามจริงๆมีคุณสมบัติของความเป็นครูเนี่ยนะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระองค์สอนทั้งประโยชน์โลกนี้สอนประโยชน์โลกหน้าสอนประโยชน์อย่างยิ่งสอนประโยชน์ตนสอนประโยชน์ผู้อื่นสอนประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะสอนประโยชน์ลึกประโยชน์กว้างขวางเนี่ยนะประโยชน์หาประมาณไม่ได้ พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ภาพเพียนพยายามสั่งสอนสอนทั้งวิธีอย่างเบาอย่างรุนแรงทั้งเบาทั้งรุนแรงไปต้นเนี่ยเป็นผู้ที่สงเคราะห์อนุเคราะห์สงเคราะห์สรรพสัจจริงอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์เนี่ยทรงแจกคือจำแนกเปิดเผยอธิบายว่าแสดงซึ่งทมทั้งปวงโดยประเภทมีกุศลเป็นต้นหรือซึ่งทำมีกุศลเป็นต้น พระองค์นี้จําแนกแจกแจงไหมกุศลอกุศลอัพยคตาเนี่ยนะอันนี้เป็นสุขเวทนานี้เป็นทุกขเวทนานี้เป็นอทุคขมสุขเวทนานี้ทำหน้าที่ประกอบเวทนาเหล่านั้นอันนี้เกิดจากกรรมนะอันนี้เป็นตัวกรรมนะอันนี้ไม่ใช่เปิดจากกรรมไม่ใช่เกิดจากผลของกรรมอันนี้เป็นอกุศลนะเพราะเศ้ามองอันนี้ไม่ใช่อกุศลแต่ก็เป็นอารมณ์ของอกุศลอันนี้ไม่ใช่อกุศลไม่เป็นอารมณ์ของอกุศลเนี่ยนะจำแนกแจกแจงแหะเรียกว่ามาติกา กุศลธรรมารรมากุศลธรรมมาอพยาคตาธรรมามามัคคยาจำ้ำแนกแจกแจงละเอียดแล้วกุศลเหล่านั้นก็ยังมาแจกเป็นขันอายตนาธาตุสัจรีย์ปฏิจจสมุปบาทอีกนะวา่ากุศลเนี่ยเป็นอะไรขันเป็นนามขันสีกุศลเนี่ยเป็นมนายตนาเป็นธรรมายตนากุศลเนี่ยเป็นมนาอ่ามโนธาตุอขออภัยกุศลเนี่ยเป็นมนโนวิญญาณาธาตุเป็นธรรมธาตุกุศลเนี่ยบางอย่างเป็นทุกข์สัต บางอย่างเป็นมักกษัตรกุศลเนี่ยะนะบางอย่างเป็นกุศลเป็นอะไรสัตทินสีเป็นต้นน่ะจนถึงมักเนี่ยนะกุศลบางอย่างท่านนาเกิดก็ในแนวปฏิจจสมบาทพระองค์ก็เอามาจําแนกแจกแจงขยายสแสดงแต่งตั้งเปิดเผยอย่างละเอียดเนี่ยนะให้อ่านดูเถอะพระไตรปิฎกนั่นแหละจำแนกแจกแจงกว้างขวางขนาดนี้เรื่องขันอย่างเดียวก็สแสดงเป็นเล่มมาเรียกว่าขันทวารวักแล้วไม่ใช่มีเฉพาะในขันทวารวรกนะเรื่องขันยังมีที่อื่นอีก แม้แต่อายตนะก็แสดงอิสล า, ายตนาวัคเนี่ยธาตุก็ธาตุสังยุตอย่างเงี้ยนะสัจจะก็เป็นสัจจะสังยุตคําสอนทั้งหมดพระองค์ก็สอนสัจจะอินทรีย์นี่ก็แสดงอย่างมากนะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็แสดงเป็นนิทานวักหรือเอาสิ่งเหล่านั้นมาขยายว่านี้ทุกขาริยสัตว์นะว่าทุกขาริยาสัตว์เนี่ยบีบคั้นนะนะทุกนะทุกเนี่ยทุกที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นา น, นาตาตัวนี้มันบีบคั้นนะ สังคตะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็สันตาปณะเนี่ยเร่าร้อนวิปริณามะเนี่ยแป ร, รปรวนเหมือนกันพราทุกทุกขาริยศัสตร์คืออุปาทานขันห้าเนี่ยบีบคั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเร่าร้อนแปรปรวนส่วนสมุทัยศัสตร์เนี่ยอายุหนะประมวลมาประมวลไหนอ่ะประมวลภพสามกาเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้านั่นแหละให้เกิดมันมอบให้ซึ่งผลน่ะผลของสมุทัยเป็นยังไงมูจูเป็นไงเห็นไหม แต่ที่นั่งอยู่นี่แหละเนี่ยผลของสมุทัยมอบให้มาละเนี่ยนะดูสิาจร์หานี่มันจะมอบอะไรให้ต่อไปอีกนะมันก็มอบให้ซึ่งชาติชารานะอาจาร์หาเนี่ยมอบให้แบบนี้แหละนั่งสังกักสงเกอย่างนี้แหละตัาาร์หาเนี่ยมอบ เ, อเป็นตัวเหตุประกอบนะเป็นสังโยชน์แล้วก็ปริพุทธมันกังวนไม่ให้ออกง่ายๆหรอก มันห่วงโน่นพระวงนี่ผูกหน้าพระวงหลังอยู่นี่นแหละนะมันห่วงอะไรอาวบนเยื่อใยกันเหลือเกินเนี่ยมันทําให้ปริโพเ์กังวลทั้งร้อยทั้งรัดทั้งผูกทั้งมัดเนี่ยนะทั้งกระสิบทั้งอ้อนวอนทั้งเอออยู่ด้วยกันได้โปรเถอะแล้วมันก็จิกหัวใจต่อไปเนี่ยนะมันมันทำนะมันบอกว่าตันหาเนี่ยมันหลอกบอกว่าหลอกให้แกอยู่ให้พ้นพระพุทธศาสนาเถอะเดี๋ยวที่เหลือเสร็จชั้นะ่ะเนี่ยนะตันหามันกระสิบไว้อย่า ง, ง น, นั้นนะ น, นะถ้ายังมีพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนคําสอนเพื่อกําจัดตัณหาแต่ไม่เป็นไรนะเราหลอกเขาว่าอย่าอย่าเพิ่งรีบปฏิบัติเลยเนี่ยนะไว้ตอนหลังก็ได้ให้ให้อยู่ยงี้ไปนานๆเดี๋ยวพอพ้นยุคพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีใครมาโพนทนาแท่งโทษตัณหาแล้วนะที่เหลือแล้วตัณหาจะจิกหัวใช้ให้เข็ดเลยอะ่ะส่วนตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะนนั้พระพุทธเจ้าเนี่ยจําแนกแจกแจงว่าตัณหามันเป็นอย่างนั้นแหละ แล้วก็นิโรธศาสต์เนี่ยเพราะอัตถาว่าเป็นนิสระอาณนะสลัดออกจากทุกและสมุทัยสลัดออกจากวัตตนิโรธศาสตร์เนี่ยเป็นวิเวกโดยเฉพาะอุปธิวิเวกนะเป็นที่สลัดคืนสังขารทั้งปวงนิโรธศาสตร์นี้เป็นอสังขตะเพราะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เป็นอมะตะไม่ตายเพราะว่านิพพานไม่เกิดจึงไม่ตายส่วนมรรคศาสตร์นั้นเป็นเครื่องนําออก นี่นะนำออกจากวะตาเนี่ยนะนิยานิกะก็คือนําออกจากภพสามกำเนิด4คติหําออกจากกองทุกทั้งมวลมักเนี่ยเป็นเหตุเพื่อความพ้นทุกมักเนี่ยเห็นพระนิพพานมักนี่เป็นอธิบดีคือเป็นใหญ่ทุกขสัตว์เนี่ยเป็นเหมือนคนกําพระยากจนขาดแคลนกันดารมากเลยนะส่วนมัคขสัตว์นี่โหอริยมักนี่บริบูรณ์ด้วยศรัทธาวิรยิยะสติยิ่งกว่าตระกูลมหาเศรษฐีอีกกว่างัน เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจำแนกแจกแจง ก, กุศลจำแนกแจกแจงขันอายตนะทาธาติอินทร์สัจจะปฏิจจสมุบาติอริยสัจก็จำแนกอย่างพิสดารเพราะเขาจึงขยายพันนามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้จำแนกแจกแจงธรรมรัตนาอย่างที่กล่าวไปอีกอย่างหนึ่งพระองค์นี่ทรงคบคือทรงเสพทรงกระทําให้มากซึ่งทิพภวิหารทิพภวิหารก็คือฌานสี่พรหมวิหารพรหมวิหารสีอริยวิหารคือสมาบัติ แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงเสพซึ่งกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกสุภ อ, อง์เนี่ยซ่องเสพสุญญ า, าวิโมกัปนิหิตาวิโมกอนิมิตาวิโมกแล้วก็อุตรีมนุสธรรมเหล่าอื่นทั้งที่เป็นโลกิยะโลกุตระความที่พระ อ, องค์ซ่องเสพคุณธรรมอย่างที่กล่าวไปจึงถวายพระนามว่าพักวาคือพระ อ, องค์เนี่ยซ่องเสพคุณธรรมโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะแล้วพระ อ, องค์ก็ยังทรงคายคายตันหา ในภพสามคือคายตัณหาเน่ยนะตัวที่นําเกิดในภพสามเนี่ยพระองค์เนี่ยคายได้หมดแล้วเรียกว่าเรียกว่าการคายไปในการไปในภพเนี่ยนะ <c oughs> นีก็ทั้งหมดที่คายไปก็คือขยายอาพัควาโดยโย่อนะแต่จริงแล้วคําว่าพักวาก็ยังมีรายละเอียด <c oughs> เช่นว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีส่วนเนี่ยนะส่วนแห่งอะไรบ้างก็ส่วนแห่ง ไตรสิกขาเนี่ยนะส่วนแห่งอธิสีน์อธิจิตอธิปัญญาอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสเนี่ยนะปฏิสัมพิทาสีฌานสีอัปมัญญาสียรูปฌานสีวิโมกแปดอภิภายตนาแปดอนุปภาพวิหารสมาบัติก้าสัญญาภาวนาสิบเนี่ยนะอสุภาอกศินสิบอานาปานสติมีวัตถุสิบหกเนี่ยนะอสุภาษสมาบัติเรื่องทศพลยานสิบเจตุเวสารัญสีปฏิสัมพิทาสีาสยส ป, 8, ย 8, ป 9, ิญญาหกพุทธธรรมหกเนี่ยเช่น พุทธธรรมก็ตรงเมื่อกี้ขยายเป็นอาสาธารณญาณ น, นะแต่ในที่นี้ท่านอธิบายเป็นว่ากายกรรมเนี่ยคล้อยตามพยานวาจีกรรมคล้อยตามพยานมโนกรรมคล้อยตามพยานอันทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นไปตามพยานหมดอันนี้เรียกว่าพุทธธรรมพระองค์เนี่ยคายภาคยะสมบัติเนี่ยนะพระองค์เนี่ยถึงปฏิเวท ก็เป็นพุทธคุณโดยย่อนะันั้นผู้ที่ศึกษารายละเอียดก็ศึกษาได้ทั้งจากคัมภีร์ต่างๆนะทั้งในดีกาพระวินัยก็ขยายไว้เยอะดีกาวิสุทธิมัชขยายคําว่าพัวะพักวะก็ขยายไว้อย่างละเอียดเนี่ยนะทั้งในวิสุทธิมัชพุทธานุสติและดีกาแล้วก็ดีกาพระวินัยก็ขยายไว้เนี่ยนะนั้นพุทธคุณนี่ก็เป็นเป็นสิ่งในอิติวุตกะเนี่ยนะก็ขยายคําว่าพักวะไว้พอสมควร นันหลายๆแห่งก็ควรที่จะศึกษาให้ให้เข้าใจนะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่การที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่สู้ยากนักนะนะเพราะว่าเพราะเราเห็นความบริสุทธิ์ใจของพระองค์เห็นความจริงใจของพระองค์ที่จะช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์แก่พวกเราทั้งหลาย เมื่อเราทราบซึ้งเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมอย่างนี้เราก็จะภาคเพียรปฏิบัติในที่สุดก็จะสามารถตรัสรู้อริยสัตว์บรร ล, ลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่ข้ามพ้นจากภายในวะตะัตฏะเนี่ยนะถ้าผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลก็จะไม่มีการศึกอย่างที่สูตรนี้กล่าวไปถ้าศึกก็เสียหายอย่างที่ที่โปร่งกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะนี่ก็เป็นข้อความในอัทธกวาสสุตติสสะเมตยสุตตนิเทศที่เจ็ดนะก็จบด้วยประการ น, านี้